อนาปฏิวันพิษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ617 1. ิพิกษุมีบาทศูนย์หาย 2. พิกูุมีบาทแตก3าพิกษุคอจากญาติ 4. พิกษุขอจากผู้ปรารณา 5. พิกษุขอเพื่อพิกษุอื่น 6. พิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 7. พิกษุวิกลจริต 8. พิกษุต้นบัญญัติอุณะปัญจะพันธนาสีขาบทที่2จบ